เวลาที่เรามาฟังธรรมะนั้นเราต้องเปิดหูท่านฟังเปิดหูแล้วยังต้องเปิดใจด้วยเพราะว่าเปิดหูอย่างเดียวนี่มันอาจจะไปทะลุอ อ, ก, อกหูหนึ่งได้เพราะนันเราจึงต้องเปิดใจให้ธรรมะนั้นไหลเข้าสู่ในใจการเปิดใจในที่นี้หมายถึงว่าเราจะต้องมีความมั่นใจความมั่นใจในคำสอน ของสมาสบุตรเจ้าความมั่นใจนั้นจะเกิดได้มันต้องค่อยๆปลูกพระเจ้าบอกว่าให้เป็นผู้ที่ปลูกศรัทธาแต่ปลูกศรัทธาตอนราจะไม่มีมีน้อยเราก็ปลูกมันเพราะมันรดน้ำใส่ปุ๋ยให้มันโตขึ้นมาศรัทธานั้นจะถูกบ่มฟักได้ก็ในการที่เราลองมาเรียนรู้ดูถ้าสิ่งนั้นมันตนต่อการเพ่งพิสูจน์ ก็จะมีศรัทธาเกิดขึ้นได้หรือศรัทธานั้นอาจจะเกิดขึ้นจากความทุกข์ก็ได้ถ้าเรามีความทุกข์ถ้าเรามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตแล้วเรามีสมาธินั่นหมายถึงว่าถ้าคนสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยถูกความทุกข์ถูกต้องด้วยความทุกข์แล้วเนี่ยจะมีอยู่สองทางคือเขาก็จะจมปลักอยู่นในความทุกข์นั้นมีการร่ำให้ครอบครัวต้องบอกโชกตัวเป็นต้น หรือไม่ก็จะมีความคิดที่จะแสวงหาทางออกน่าจะมีคนที่จะรู้ทางออกของปัญหานี้สักหนึ่งหรือสองวิธีแสวงหาทางออกภายนอกซึ่งถ้าเข้ามาเจอทางออกทิมพระเจ้าได้แนะนำเอาไว้อันนี้ก็จะเปลี่ยนจากความทุกข์นั้นให้เป็นศรัทธาได้มันเรามันไล่มาอย่างนี้นะท่านผูฟังคือ1เริ่มมาจากที่เราถูกต้องความทุกข์แล้วเราเลือกทางเลือกที่สอง ในการที่จะแสวงหาทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือ2วิธีปุ๊บตรงนี้จะทําให้ศรัทธาทุกของคุณเนี่ยเป็นเป็นศรัทธาได้หรือว่าศรัทธานี้เกิดจากการที่เรามีความมั่นใจในคําสอนพระเจ้าอันนี้ก็ได้ปลูกเอาหรือ3าเกิดจากการที่เรามาพิสูจน์ธรรมะฝึกษาธรรมะแล้วก็ธรรมะนี้ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ก็จะทําให้เกิดศรัทธาได้อย่างนั้นฟังฟังรายการ มาอยู่เรื่อยๆลองทําการเพ่งพินิจพิเคราะห์ดูกัได้เพาสิ่งที่พูดไปเนี่ยมันจริงหรือมันเท็จอย่างไรหรือว่าเราลองมาดูในชีวิตของเราถ้าชีวิตของเรามีความทุกข์อยู่บ้างก็ลองดูว่าธรรมะนี้จะไปช่วยแก้ได้ไหมมันเป็นทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเราสัก1วิธีหรือ2วิธีมั้ยถ้ามันเป็นอันนี้ศรัทธาเกิดขึ้นพอมีศรัทธาอ ย, อย่างนี้แล้ว เราจะเรียกว่าเป็นผู้ที่เปิดใจละวเตรียมฟังธรรมะได้เวลาที่ธรรมะที่นำมาเล่าให้ฟังนั้นท่านฟังก็เป็นสิ่งที่ผู้ชาได้ประกาศเอาไว้ทั้งหลายพันปีแล้วเพรา ะ, ะนั้นคำสอนที่ผ่านมาเป็นหลายหลายพันปีเนี่ยเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ายังมีความถูกต้องอยู่ในวิธีการตรวจสอบนั้นก็ไม่ยากเพราะว่า คำสอนของพระเจ้านั้นจะสามารถที่จะต้องเข้ากันได้ลงกันได้บทเพลงชนะที่พระเจ้ากำหนดในการพูดตั้งแต่คืนที่ตรัสรู้สัมมาสัมพุรยาณจนทั้งถึงคืนที่ปรินิพพานด้วยอนุปา ท, ทิเศสนิพพ า, านธาตในช่วง45ปีนัน้นจะไม่มีการขัดกันเลยบทเพลงชนะอัถาต่างๆก็จะลงรับกันได้อย่างดีสอดคล้องกันได้อย่างดี เพรนสิ่งที่พูดไปนะเราให้นํามาตรวจสอบก็ได้ด้วยการที่เอาไปเทียบเคียงกับธรรมะหมวดอื่นๆก็จะพบว่ามีการลงกันได้เข้ากันได้อย่างดีการลงกันได้เข้ากันได้ของธรรมะนี้ก็จะทําให้เราค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ได้ฟังนั้นไม่ว่าจะฟังจากพระองค์ไหนก็ตามม่านจากหนังสือเล่มไหนก็ตามหรือฟังใครพูดก็ตามมันเป็น คำสอนที่เป็นไปในแนวทางที่พระเจ้าได้บอกไว้หรือไม่อันนี้คือการตรวจสอบได้เทียบเคียงกับธรรมะหมวดอื่นๆหรือว่าวิธีที่สองเราก็ลองมา ป, ปฏิบัติดูเลยนนัล้ลองทําดูเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเพราะคําสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นคําสอนที่เป็นปฏิหารได้ฟังปฏิหารนะปฏิหารนี่ไม่ใช่แบบว่าระเบิดตู้มตามแล้วก็แบบเสกอะไรให้หายได้ไม่ใช่งนั้นนะแต่ปฏิหารในที่นี้หมายถึงว่ามันไม่เป็นไปอย่างอื่น มันเป็นอย่างนี้เท่านั้นไม่เป็นไปอย่างอื่นไม่เป็นไปจากความเป็นอย่างนี้คือมันเป็นอย่างนัจริงๆมันเป็นเหมือนกับวาจาสัตว์อย่างเงี้ยพูดไปปลายปุ๊บเป็นอย่างนั้นเป๊ะนี่คือปาฏิหาริย์คำสองพระเจ้ามีส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นปาฏิหาริย์เรียกว่าอนุชาสนีปาฏิหาริย์นั่นคือไล่มาตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาคุณปฏิบัติได้จริงปุ๊บคุณสามารถละอาสวะธรรมอาสวะให้ไกลออกไปจากใจได้บรรลุเป็นพระรานได้แม้มันเห็นจริงๆ ปฏิหานี้มันเกิดขึ้นตรงนี้เรามาลองทำดูเลยเอาง่ายๆคุณมีผัสสะไหมมีตาไหมมีหูไหมเอาถ้ามีผัสสะต้องมีเวทนาเอาแค่บทง่ายๆสั้นๆแค่นี้เพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาปาฏิหารมากๆเลยทำฟังคิดดูเพราะมีผัสสะมันมีเวทนาจริงๆเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุข ก, ก็มีเป็นทุกข์ก็มีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ก, ก็มี เรามีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นอ้อาวมันก็จริงแฮะมีภาษาก็มีเวทนาให้ชันจะเป็นคนสูงต่ำดำเตี้ยเป็นคนขาวเป็นคนรวยเป็นคนสวยหรือเป็นคนชาติไหนผู้ประกาไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ามีภาษาต้องมีเวทนาแน่นอนเพราะภาษาคือสิ่งที่เราสัมผัสทางตาทางหูจูงเลีงกายใจมันจะสร้างความรู้สึกคือความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้า ง, างไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์บ้าง ที่เกิดขึ้นที่ตาที่หูจมูกเลี้ยงกาย ใ, ใครๆก็เป็นไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกก็เป็นไม่ใช่แค่มนุษย์เทวดาอย่างเป็นเป็นอย่างนี้หมดสัตว์โลกนี่ถูกไอ้เจ้าผัสสะเนี่ยห่อหุ้มแล้วถูกเรียกว่าเหมือนกับคลุมเอาไว้ด้วยเปลือกไข่ซ่อนไว้ในซองอย่างนี้คลุมมืดไปเราจะทําไงเราถึงจะหลุดออกจากตรงนี้ได้ ทำไงเราถึงจะเป็นอิสระจากไอ้เจ้าภาษาทั้งหลายนี้ได้ภาษาทั้งหลายนี่นะเรือตาหูจมูกลิงไก่ใจนี่เราเนี่ยถูกขังอยู่ในนี้ท่านฟังเราไหมเราถูกขังอยู่ในสิ่งเรื่อตาหูจมูกลิงไก่ใจเทวดาศูนย์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกนี่เขาก็ถูกขังอยู่ในนี้หมดสัตวนรกก็ถูกขังอยู่ในนี้ด้วยเราจะทํำยังไงให้เราเป็นอิสระแต่คุณคิดว่า คุณไม่ได้อยู่ในคุกไมไ่อยู่ในตารางเขาขังคุณไม่ได้คุณมีสระไปนู่นไปนี่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ทเที่ยวต่างจังหวัดได้สบายใจแต่นั้นก็ยังอยู่ในขอบเขตของตาหูจมูกลิ้นกายใจยังอยู่ในขอบเขตของมานที่เราจะที่เข า, าจะตามไปกวนเราได้ผู้ชามีความคิดอย่างนี้แหละจึงต้องการที่จะหาทางที่จะหลุดพ้นจากไอ้เจ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทำยังไงละ่ะ ทำยังไงก็คือว่าหาทางที่จะตรัสรู้หาทางที่จะบรรลุอนุต ร, ร, รัสสัมมาสวรรค์อย่างหาทางในการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆเหล่านี้ผู้แค่นี้ท่านฟังบางคนอาจจะมีคําถามสงสัยอะไรมันเกี่ยวอะไร ก, กันกับเรื่องความแก่ความตายถ้า ป, ปกติเราจะพูดถึงเรื่องความแก่ความตายเกิดแก่ตายนี่เป็นทุกข์ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันอย่างเดียวกันท่านฟังเพราะว่าตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจมันแก่ไหม มันตายไหมมันแก่ตายกันนะ surreal, เราเบื่อจากสิ่งนี้เราไปยึดถือสิ่งใหม่เราเบื่อโทรศรัพท์เครื่องนี้เราเปลี่ยนโทรศรัพท์เครื่องใหม่เราเบื่อรถคันนี้เราเปลี่ยนรถคันใหม่เราเบื่อคนคนี้เราเปลี่ยนคน ค, นนน ค, นคนใหม่อา้าวมันก็อยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นเรื่องที่เราสัมผัสได้แล้วมันก็จะใกล้เข้าใกล้เข้ามาถึงตัวเราตัวเราก็ต้องแก่ต้องตายเราเปลี่ยนกายนี้เราตายไปแล้วก็ต้องเอากายใหม่ วนเวียนไปอยู่อย่างนี้เกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้เป็นเรื่องเดียวกันแต่ที่พูดถึงเรื่องความแก่ความตายในชีวิตของเราเนี่ยเพื่อให้เห็นได้ง่ายหน่อย่เราบางทีผู้เช่าก็แยกออกเป็นหกอย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นไก่ใจซึ่งเราถูกรัดรึงถูกครอบงำถูก ร, รึงรัดด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้เป็นผู้ที่ไปตามอำนาจของสิ่งที่มาดึงเป็นไปตามอำนาจของสิ่งที่มันกลัวก็มี รักก็มีโกโรธก็มีหลงก็มีนะทำไปด้วยอำนาจความกลัวความรักความโกโรธความหลงมันก็เป็นบาปแหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราวนเวียนดีบ้างต่มบ้างสูงบ้างต่มบ้างเหมือนตลาดหุ้นเลยจำฟังราคาทองเนี่ยขึ้นลงโอ้โห่บ่ น, บนไปหมดชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าเรายังไม่มีที่พึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งที่พอจะจับยึดเกาะยึดได้เนี่ย มันปั่นป่วนไปหมดเหมือนท้องเวลาปวดท้องไส้ ป, ปั่ น, นป่วนบูบราบบูบราบอยู่ในนี่โ้โหมันไม่สบายหอกเพราะนั้นจึงต้องหาที่พึ่งต้องมีที่พึ่งที่เราเลืกถึงแต่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยถูกความกลัวถูกต้องแล้วนั่นจึงเอายึดเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างต้นไม้บ้างสวนบ้างพระเครื่องบ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งจะทําความเกษมไม่ได้เลย นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งแล้วจะไม่หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้พระเครื่องแตกไหมต้นไม้พังไหมเจดีย์มันแตกไหมสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็แตกทำลายพังได้เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากความเป็นอย่างนี้ไม่มีความเป็นไปโดยประการอื่นนั่นคือเรียสัตว์สเราจะเห็นเรีสัต์สีได้งไง ไม่ว่าจะมีพระเามาเกิดหรือไม่มาเกิดอริยสัจสีก็ยังมีอยู่ไม่ว่าโลกจะแตกเราจะวนไปที่ไหนอริยสัจสีก็ยังมีอยู่เป็นของที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่เป็นไปโดยประการอื่นอริยสัจสีนะเอา้าวเราจะเห็นอริยสัจสีได้ไงคุณจึงต้องพึ่งคําสั่งพระเจ้าพึ่งการปฏิบัติพึ่งพูดที่รู้มาก่อนพึ่งคําสั่งพระเจ้าก็คือธรรมะนั่นแหละ พึ่งการปฏิบัติเนี่ยก็คือประสงค์นั่นแหละประสงค์เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติดีปฏิบชอบพึ่งผู้ที่รู้ผู้ที่ค้นพบธรรมะตรงนี้นั่นคือพึ่งพระพุทธานั่นเองพึ่งในที่นี้ไม่ใช่ขออะท่านฟังพึ่งในที่นี้คือทำเอาพึ่งในที่นี้คือพึ่งเพื่อให้รู้และศรัทธาฟังให้ชัดนะพึ่งเพื่อให้รู้และศรัทธาไม่ใช่พึ่งเพื่อให้ได้เงินพึ่งเพื่อขอให้จะมีความสุขแต่พึ่งแล้ว เพื่อให้ใจคุณมารู้วริย ส, สัจสีเราจะรู้อริย ส, สัได้ไงพระเจ้าตอนนั้นยังไม่แตระสายรูหรอกเป็นบริษัตอยู่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละสักต้นหนึ่งนี่นะต้นโพหรือต้นไซนี่แหละก็มาคิดว่าเอ้ความคิดในจิตของฉันนี่มันก็มีทั้งมีหลายแบบให้เอางี้แล้วกันเราแบ่งเป็น2 ส, ส่วนในส่วนที่เป็นความคิดทางการความคิดทางใบบาทความคิดทางเบียดเบียน แบ่งไว้ส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการไม่เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่เกี่ยวข้องด้วยความเบียดเบียนแบ่งไว้อีกส่วนหนึ่งแบ่งไว้เป็นสองส่วนแล้วเราดูก็ได้ความสุขในวิถของเราเราลองแบ่งดูเป็นสองส่วนส่วนไหนที่เป็นความสุขที่เกี่ยวข้องด้วยการทั้งหลายแต่เช่นความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจโอ้ขอไปไม่มีใจนะห้าอย่างวะส่วความสุขที่เกิดขึ้นจากตา หูจมูกลิ้นและกายห้ายอย่างนี้ฟังเสียงด้วยหูเห็นรูปด้วยตาดมกลิ่นด้วยจ ม, มูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสผลิตัณฑด้วยกายเราแบ่งความสุคนี้ออกมาส่วนหนึ่งความสุขประเภทเนี้เป็นความสุขที่พระเจ้าบอกว่าเป็นความสุขทางเมทุนเป็นความสุขที่เกิดจากท่อปัสสาวะเป็นความสุขที่ไม่ประเสริฐเป็นความสุขที่ไม่เจริญไม่ควรทําให้มากไม่ควรเจริญ ควรกลัวความสุขเช่นว่าเราไปดูหนังแล้วมีความสุขเราไปฟังเพลงแล้วมีความสุขเราไปเล่นไปกินไปเที่ยวดืมกลางคืนมีความสุขเป็นความสุขที <the ooky> ่ควรกลัวถ้าไมามีความสุขไม่มีก็ยอมรับว่ามีความสุขเป็นความสุขที่เกิดขึ้นถ้าคุณมีสุขสมนาั่ที่เกิดจากการไปกินดื่มคุณมีความสุขสมนาั่ทีกจากการไปดูหนังฟังเพลงอันนี้มันมีความสุขอยู่ เป็นความสุขที่เจือด้วยทุกอย่างมากมีทุกแฝงเยอะแล้วก็จะเปรียบเทียบก็คือว่าสมมติในอาหารจานหนึ่งเนี่ยจะมีความสุขแค่อาหารจานหนึ่งนะท่านฟังสมมุติมีเป็นข้าวผัดนะเป็นความส่วนที่มันดีดเนี่ยประมาณสักแค่1ช้อนหรือว่าครึ่งช้อนเท่านั้นที่เหลือเป็นของเน่าหมดเป็นของเสียหมดเราก็ยังมาหลงว่าโอ้ดีอาหารจานนี้ดีก็มันดีอยู่แค่ช้อนเดียวครึ่งช้อนตรง น, น, น, นั้นเท่านั้นเองที่เหลือมันเละหมด มนเน่าหมดมันแย่หมดไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเรายัางจะบอกว่ามันดีคือมันดีนิดเดียวแต่ว่าโทษมันมาอาสารแต่มีความสุขอีกประเภทหนึ่งทำฟังเรียกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบระงับนั่นคือความสุขที่เกิดจากสมาธิก็ไม่ต้องไปฟังเพลงไม่ต้องไปดูหนังไม่ต้องไปเที่ยวกลางคืนเรามีความสุขได้เอาอยู่ที่ไหนอยู่ในใจเป็นความสุขที่เกิดจากความสงัดเงียบ ความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางความสุขที่เกิดจากการสงบระงับความสุขที่เกิดจากความรูปร้อมความสุขตรงนี้เป็นความสุขที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าพูดง่ายๆก็คือสมาธินั่นแหละคุณเข้าสมาธิก็ตามบางทีเรานั่งอยู่เฉยมีความอิ่มเอิใจความสบายใจอยู่ในใจนั่นมันก็เรียกว่ามีความสุขที่เกิดจากในภายในได้ความสุขตรงเนี้เป็นความสุขที่ประเสริฐเป็นความสุขที่ไม่ควรกลัวควรทำให้มาก เราควรจะวินิจฉัยนะคือลองมาพิจารณาถึงว่าเอ๊ะความสุขนชีวิตของฉันเนี่ยมันมีกี่แบบกันแน่คือพระชาะแบ่งไว้ห้ามี2แบบนะคือความสุขที่เกิดจากการคุณทั้ง5อันนี้ควรกลัวไม่ควรทำให้มากถ้าจะไปทำควรกลัวด้วยซ้ำกลัวนี่หมายความว่าไงกลัวหมายความว่าต้องระวังเต็มที่ใ น, นในการที่จะเสพในการที่จะใช้ในการที่จะไปทำอย่างนั้นส่วนความสุขที่เกิดจากการทำสมาธิ เรไม่กลักลัวคือบางคนเนี่กลัวนั่งสมาธิกลัวจะเป็นบ้ากลัวจะเห็นนั่ น, น, นเห็นนี่ก็ถ้าทําไม่ถูกมันก็เป็นน่ะแล้วแต่เราต้องทําให้ถูกสิเราทําไม่ถูกฝึกให้ดีตามสัมมาสมาธิถ้าเราทําไม่ถูกฝึกไม่ดีนั่นเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิจะทําทําไมทํามันก็ยิ่งมีแต่ความทุกข์เราต้องทําสัมมาสมาธินี่เรากำลังพูดถึงสัมมาสมาธิพูดถึงความสุขที่เกิดจากในภายในถ้าเราทําถูกทําได้ทําสมาธิยิ่งควรทํา ยิ่งควรทำให้มากยิ่งควรทำให้เจริญใครบอกอย่าไปทําสมาธิเอา้าวแสดงว่าเขาพูดสวนกับพระพุทธเจ้าเขาพูดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าบุคคลนั้นจะเป็นพระก็ตามจะเป็นค ร, นนราวา่าก็ตามจะเป็นใครก็ตามรู้ไม่รู้เรื่องคําสองพระพุทธเจ้าก็ตามถ้าบอกว่าการทําสมาธิไม่ดีนี่มันพูดไม่ถูกละเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าดีนะเป็นของที่ควรทํามากด้วยควรทําไม่เจริญไม่ควรกลัวแล้วเราก็มาทําสมาธิอยู่เรื่อย พู้เช่าพูดเรื่องนี้ไว้เนี่ยเพราะว่าต้องการจะให้เราตัดสินใจตัดสินใจในการที่เราจะทำํำหรือจะไม่ทำนั่นคือตัดสินใจในการที่จะทํานั่นแหละแล้วก็ไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีไม่ทําการหาความสุขการแสวงหาความสุขที่เกิดจากทางกรรมคุณให้ทําให้ทําการหาความสุขที่เกิดจากความสุขในภายในกับสุขในภายในเนี่ยทางฝั่งไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมาแบบนั่งหลับตา ทำตัวแบบมึนๆตึงๆหรือบางทีแบบไม่พูดกับใครเดินแข็งๆเหมือนเป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่อย่างนั้นความสุขถ้าเกิดจากในภายในผู้ชจ้าไม่ได้พูดถึงว่าท่าทางต้องเป็นยังไงเลยแต่มันอยู่ในใจเพราะฉะนั้นใจคุณอยู่ที่ไหนละ่ะใจเธออยู่ที่ไหนท่านฟังมันไปทุกที่เลยนะบัญทีนนั่งอยู่ตรงเนี้ยแต่ใจไม่อยู่นะไปไหนก็ไม่ลุกไปนั่นไปนี่ไปดูนั่นเดี๋ยวมันกลับมา เออมันกลับมาแล้วเพิ่งจะรู้ว่ามันอยู่แต่ว่าใจของเรานี่ไปของเราทุกทีไปกินข้าวมันก็ไปไปห้องน้ามันก็ไปนอนหลับฝันมันยังไปด้วยนี่คือเรามีใจอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในอริบทไหนเนี่ยเราหาความสุขตรงนี้ได้เราทําได้แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปทําท่า ท, ทําทางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอันนี้เป็นส่วนประกอบไม่เฉยจะทําไม่ทําก็ได้คุณจะหลับตาก็จะลืมตาคุณจะเดินคุณจะย่างคุณจะทําอะไรมัน มันทำจิตได้หมดจิตเราเนี่ยเราต้องสั่งได้ต้องควบคุมได้แต่ทำไมทำไมบางคนไม่ทำทำไมบางคนไม่ไม่สนใจจะขวนขวายทําไม่สนใจที่จะไปพิจารณาว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะอะไรมีครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังพระเจ้าไปเจอกครืบดีคนหนึ่งลูกเขาตายลูกตายนะลูกคนเดียวด้วยลูกชายด้วยโอยรักมากเลย ตายหน้าตานี่แบบโอ้เศร้าหมองมากบอกบุญไม่รับบางกันเถอะแบบบี้บูแล้วก็โอ้เป็นหน้าตาที่ท้อแท้หมดกหลังใจแต่ถ้าเราเคยมีลักษณะนี้คงจะเข้าใจอยู่แต่คนที่แบบว่าเศร้าจนกระทั่งหน้ามันเปลี่ยนไปะนะหมองคล้ำแต่ว่าไม่ใช่ถึงกับว่าตามอยู่ใต้ปากก็จะตำแหน่งเดินมาแหละแต่ว่ามันมีความที่แบบเส้าหมองทีนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้ว ครู้จักก็เลยไปกลุ่ยเขาว่าทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะเขาก็บอกให้ฟังว่าโอ้ยลูกตายลูกคนเดียวที่รักนี่ตายแล้ววันทุกวนันทุกวนันแต่ก็แต่เอาแต่ไปที่เผาลูกอ่ะล่ําครวญร้องไห้ว่าลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนใ น, นคิดถึงว่างัน้นพนรู้จักก็เลยบอกว่าเพราะว่าความโศกเนี่ยความรับมารดพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจเนี่ยเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดพูดแค่นี้ทําฟัง ความโศกความร่ําไรนําพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความครับแค้นใจเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดเฮ้ยกระับบดีคนนี้ก็งงนะว่าเอา้าทําไมเป็นไปได้ไงของรักนี่สิมันต้องให้ความสุขของรักนี่สิมันให้ความเพลิดเพลินสมานัย่างเรารักอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งรักรถของเราซื้อมาใหม่ๆนั่รักเสื้อผ้านี่แหม่สวยนั่รักคนคนนี้มันดีนั่รักสิ่งนี้แหมมันมันปลืม้ม นี่มันเอาความสุขมาให้ก็นี่ไงเห็นผิดไงเห็นผิดมันทำให้แบบไม่ทำสมาธิเห็นผิดเนี่ยทำให้ไม่เดินตามมากเห็นผิดเนี่ยทำให้แบบทำอะไรแล้วก็มันไม่เกิดไม่ดีไม่เป็นได้เพราะมันเห็นผิดอเห็นผิดยังไงก็เห็นผิดตรงที่เห็นว่าของรักเนี่ยจะนำมาซึ่งความสุขโสมนัสเห็นผิดเพราะอะไรจริงๆแล้วเนี่ยของรักเนี่ยนามาซึ่งความโศ ความร่ำรวยรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดอันนี้ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยออถ้าจะเข้าใจให้ถูกต้องเนี่ยสมมุติว่าเราไปรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะอันนั้นจะนํามาซึ่งความสุขเราใช่อยู่แต่เมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นแล้วมันจะนํามาซึ่งความทุกข์ทันทีเพราะฉะนั้นตอนที่เราไปรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมมุติเรารักวัตถุนี้วัตถุนี้จะเป็นคนก็ได้ เป็นโทรศัพท์ก็ได้เป็นสิ่งของเป็นบ้านเป็นรถไดทางนั้นนะสมมติเรายกตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งเรายกวัตถุหนึ่งขึ้นมาคุณรักวัตถุนี้ปุ๊บนั่นทันทีคุณถูกลูกศอนแทงเขาละปึ๊บก็าหาที่อกทีหนึ่งแต่เราไม่รู้สึกตัวตอนนั้นแม้เราจะแบบรู้สึกเอ่อเพลิดเพลินยินดีในสิ่งนั้นมากเพราะเรารักมันแล้วนี่ใช่ไหมรักมันแล้วเพลิดเพลินยินดีแล้วนะมันถ้าไอ้เจ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น เรารักคนนี้ เ, เขาเปลี่ยนใจแฮะนั่นพิษออกทันทีเราจะทุกข์ใจมากเราแต่งงา น, นคนนี้แล้วเรารักคนนี้แล้วทํำไมเขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่เห็นเหมือนตอนที่คบกันใหม่ๆไม่เ ห, เหมือนตอนที่แต่งกันใหม่ๆเราจะจี๊เราจะมีความทุกข์ระทมคร่ำครวญร่ําไห้เกิดขึ้นไอ้ความทุกข์นี้มาจากไหนก็จากลูกศรที่เขาแทงคุณตั้งแตอนแรกนั่นแหละแต่คุณไม่รู้ตัวเพราะอะไรทำไมไม่รู้ตัวมันเพลินไปแล้วมันลุ่มหลงไปแล้ว ความรักทําให้คนตาบอดแต่ไม่ใช่เฉพาะบุคคลเท่านั้นนะคือถ้าเราไปรักสิ่งของสิ่งนั้นก็ทําให้เราตาบอดตาบอดตรงที่ว่าเราถูกแทงแล้วเราก็ไม่เห็นสิ่งของก็ตามคนก็ตามก็เป็นอย่างนี้หมดนะเะฉะนั้นถ้าผู่ว่าเราจะทำยังไงนะไม่ใช่ไปทําลายของนั้นทํำลายเราก็ทุกข์สิเพราะว่าเรารักมันไปแล้วนี่ทํำลายมันก็ทุกข์แต่ที่เราต้องทําลายไม่ใช่สิ่งของแต่เป็น ความรักที่อยู่ในจิตของเรามหมายถึงว่า alors, ความรักนี่หมายถึงว่ามันเกิดจากตัณหานะคือสิ่งที่เราต้องทําลายในจิตของเราคือตัณหาที่อยู่ในจิตของเราที่ทําให้จิตของเราเนี่ยมันไปติดกับสิ่งนั้นที่ทำให้จิตของเราเนี่ยไปลุ่มหลงในสิ่งนั้นอย่างในกรณีของก็อบบดีคนนี้ที่ลูกเขาตายเนี่ยพอลูกเขาตายแล้วเขาก็ฟังพระชุทาอย่างนี้เขาก็ไม่เห็นด้วยล่ะทําไมมาบอกว่าของรักนี่ทําให้เกิดความทุกข์ความเลิดอนเฟินสมนัสตังหะเกิดจากของรักมีของรักเป็นแด่เกิด ไม่เข้าใจเราก็เลยไปหาพวกนักเล่งที่เล่นการพนันพวกเล่นการพนันเนี่ยนะก็ไปคุยกับเขาว่ามคุยกับสมาชิกุญชามาอย่างนี้แหละแต่ว่าทําไมพูดอย่างนี้ก็าไม่รู้พวกนั้นก็เลยสนับสนุนความคิดของของ้าราชการคนนี้ว่ามันแน่นอนของรักนี่สินํามาซึ่งความสุขโสมานัน่งคือเขามองด้านเดียวเขาไม่ได้มองอีกด้านหนึ่งอาหารจานที่เขาเอามาให้มันมีดีอยู่นิดเดียวก็ เ, เห็นตรงเนี้ยแล้ว เ, เห็นไม่กว้างเห็นไม่ครบถ้วน คือถ้าเราเห็นให้ถูกให้ดีให้เป็นอย่างที่มันเป็นจริงๆเนี่ยคือต้องเห็นได้หมดข้อดีคุณก็ต้องเห็นคุณก็ต้องรู้ข้อเสียคุณก็ต้องรู้คุณก็ต้องระวังแล้วแค่นี้ยังไม่พอคุณต้องรู้จักวิธีการเอาตัวรอดด้วยแต่คุณจะกินข้าวคือไม่ใช่มพราว่าหมายความว่าเราไม่รักอะไรได้เลยหรือเราไม่ทําอะไรเลยฉะ น, นก็นก็อยู่เฉยเฉยไม่ใช่อย่างนั้นท่านฟังคําสอนพระเจ้าเป็นคําสอนที่เป็นธรรมชาติเป็นคําสอนที่ถ้าเราปฏิบัติแล้วคนอื่นได้ประโยชน์ด้วย ถ้าเราทําไม่ถูกคนหนึ่งก็เสียประโยชน์นะเพรา ะ, ะนั้นเราจึงต้องทําให้ถูกในลักษณะที่ว่าพอเรามารู้ใคร่ควรวญแล้วเนี่ยคุณต้องเห็นทั้งโทษของมันเห็นทั้งประโยชน์ของมันเห็นทั้งวิธีการแก้ไขอาหารจานหนึ่งที่เขานามามันมีดีอยู่นิดนึงที่เหลือเป็นส่วนเสียเออเราไม่กินหรอกโยนทิ้งไปก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าเราขยักขยงเกลียดชังถ้าคุณขยักขยงเกลียดชังคุณก็ถูกอีก ด, ด้านหนึ่งกองเกลียดมันตลบหลังให้ล่ะไปสุดตรงอีกข้างหนึ่งละเราก็จะต้อง เห็นทั้งสองด้านในเห็นทั้งข้อดีข้อเสียเห็นวิธีการนาออกแต่ถึงจะถูกเพราะฉะนั้นทําอย่างไรล่ะเราถึงจะมาเห็นตรงนี้ได้พระพุทธเจ้าเคยได้ยกตัวอย่างของในสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีนัคือพรุทธเาของเราองค์นี้ชื่อว่าสมณโคดมนามสกุลโคตมะโคดมเกิดในวร น, นัก ษ, ษัตริย์ชื่อสินทัตะนามสกุลโคดม มีความสามารถในระดับที่เป็นสมณะสมุทรเจ้าในสมณครดมนี้เราให้ฟังไว้ในสมัยพระเจ้าชื่อวิปัสสีมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนั่นคือมีชาวเมืองจํานวนมากทีเดียวนําไปฟังธรรมออกจากเมืองไปจะไปเข้าป่าหรือว่าไปสู่วัดนี่แหละแล้วก็ไปหาพระเจ้าชื่อวิปัสสีแล้วก็ฟังธรรมตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าก็วิปัสสีเนี่ยก็เตรียมจิตของผู้ที่มาฟังธรรมก่อนด้วยการที่ ให้รู้เรื่องราวที่เป็นไปตามลําดับไนะล่ไปตามลําดับจากอะไรล่ะก็จากเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์โทษในกามแล้วก็อันนี้ส่งในการออกจากกามนะห้าอย่างนี้เป็นเรื่องราวที่เป็นไปตามลําดับทางฝั่งเรียกว่าอนุบุตรพิกถานะเป็นไปตามลําดับไล่ไปนะจากทานจากศีลเนืนะ่องจากการที่พอคุณมีทานมีศีลคุณได้ไปสวรรค์ไปสวรรค์แล้วแต่คุณอย่าโมเมาลุ่มหลงในกามนะ ต้องระวังนะตัวของการมีนะแล้วก็อันที่หาคืออั น, นิี้ส่งในการออกคำถามก็มีนะนี่ยคือเป็นการเตรียมจิตในการที่จะฟังเรยสัตว์รู้ได้ว่าเราจะใครียดโกสมมุติเราตกอยู่ในสถานการณ์ของขนาราชการคนนะั้นเนี่ยลูกตายหรือเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นสักอย่างหนึง่งแล้วเราลุ่มหลงหมอกว่าไอ้ทําไมเราถึงยังไม่เห็นว่าของรักเนี่ยมันนํามาซึ่งความทุกข์แต่เราเห็นว่าของรักมันนํามาซึ่งความเพลิดเพลินพอเราเสียไปเรายังจะไปตามหามันอีก นี่ทมเราจิตเราเป็นอย่างนี้เราต้องมีการก็เรียกว่าเตรียมจิตฟอกจิตก่อนที่เราจะมาเข้าใจคุณเข้าใจเรื่องทานไหมคุณเข้าใจเรื่องศีลไหมคุณเข้าใจเรื่องอา น, นิสงส์เรื่องสวรรค์ไหมคุณเข้าใจเรื่องอานิสงส์ในการออกจากกามคุณเข้าใจเรื่องโทษของกามไหมถ้าคุณยังไม่เข้าใจ5้าอย่างนี้มันยากที่จะมารู้อริยสัจ ส, สนันถ้าจะเปรียบเหมือนก็คือเหมือนกับผ้าที่มันยังส ก, กปรกอยู่เนี่ยมีคราบมีฝุ่นติดเนี่ยจะเอาไปย้อมน้ําย้อมเนี่ย ย้อมออกมาเพื่อมันก็กระด่างกระด่างกระดังกระด่า ง, งมันไม่สวยแต่แต่ผ้านั้นต้องสะอาดปราศจากสิ่งแปดเปื้อนนะสะอาดแล้วไม่มีฝุ่นติดเป็นผ้าเนื้อดีด้วยนะเอาไปย้อมเนี่ยแหมมันสีขึ้นเอาไปย้อมก็สามารถที่จะทําให้สีงดงามออกมาได้เช่นเดียวกันจิตของเราเจะมารับรู้อายสัตย์ปล่อยวางความทุกข์ได้เนี่ยมันจะต้องเตรียมจิตซะก่อนนะโดยการที่ให้จิตเรานั้น เห็นโทของกางเห็นไหมเออถ้าเราเห็นโทษของกางอาคุณจะมารู so so, so yourself, music, ้เอสสัตสีได้นั่นเพราะว่าจิตคุณเริ่มจากเข้าสู่ในร่องในรอยละจิตคุณเริ่มจะมีสมาธิละเพราะนั้นการมีสมาธิเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญการอยู่ในที่หลกเลนเนี่ยการประกอบความเพียรในการหลกเลนเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าถ้าเราลุ่มหลงไปในสิ่งต่างๆเนี่ยเพราะว่าความกําหนัดความเพลินนะความมัวเมายินดีเนี่ย เราจะเห็นด้านเดียวทีนี้เราจะทําไงเห็นอีด้านหนึ่งจิตคุณต้องมีกําลังทําไงก็จิตเราจะมีกําลังคุณต้องทําจิตให้เป็นสมาธิถ้าจิตเราโวเมาผัวพันอยู่ด้วยกามมีความเพลิดเพลินมีความกํ mama, มาหนัดยินดีอยู่เนี่ยมันจะจิตนั้นที่เรียกว่าเป็นจิตที่ไม่มีสมาธิเป็นนิวรณยังมี น, นิวรณครอบงาจิตอยู่แมันมือดอยู่อีกด้านหนึ่งมองไม่เห็นทําไงเอาทําทจิตให้สวา่างซะทําจิตให้มีกําลังซะทําจิตให้มีสมาธิซะอาจะทําไงให้สมาธิเกิดขึ้นได้ หลีเล่นนช่วยได้เหลเพื่อนพระเาจึงบอกว่าให้ประกอบความเปลี่ยนในการหลีกเลนให้ประกอบความเพียใ น, น ใ, ยในการที่ทําจิตให้เป็นสมาธิถ้าเราประกอบความเพียนในการหลีกเลนทำจิตเป็นสมาธิแล้วนะเออคุณจะเตรียมจิตได้ทสสี่คุณพร้อมละที่จะมาเรื่อสสีคุณพร้อมเรื่อยสัสีแล้วนะคุณก็จะสามารถที่จะทําที่สุดแห่งตุกได้คําสอนของพรชาตเนี่ยท่างฟั ง, งไม่ใช่สอนเฉพาะมนุษย์เท่านั้นใ น, นยังสอนถึงเท ว, วดามารพรม ไสอนไปถึงประมาณโลกนู่นเพราะนั้นเราจึงควรที่จะต้องมาศึกษาด้ยที่่บนสวรรค์นี่พร้าข้าก็ไล่ฟังไว้เขากมีการฟังธรรกันมีภิกษุผู้มีฤทธ์ขึ้นไปบนสวรรค์แจ้งธรรก็มีเราอยู่บนโลกมนนู่์มัมีโอกาสฟังธรรม ด, ดีมากๆแล้วเป็นความมหัศจรร์ที่เกิดขึ้นในคำสอนพระานี่ให้เราฟังธรรต่อไปถ้ามีคำถาสงสัยกเขียนมาถามได้ด้วยการส่งมาที่เลขที่หนึ่งหมู่ดตบนดอนไหลโศกอำเภอหนองหั สวสัดอุดรธานีหลานไพรสณนี41130ถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็เพียวธรรมะ .com ก็จะนํามาคุยตอบปัญหาได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระภัย บ, บ, บุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซ ก, ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจริญพรทําสมาธิท่านผู้ฟังทําสมาธิจเจริญพร